สวัสดีครับพี่น้องครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูครั้งที่สี่สิบนะครับพระเยซูกับนิโคเดมัสสามตอนการบังเกิดใหม่ครับซึ่งต่อจากเมื่อวานนี้ดังนั้นครับผมขออนุ ญ, ญาตทบทวนนะครับเมื่อวานนี้พระเยซูได้สอนนิโคเดมัสบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้บังเกิดจากพระวิญญาณก็จะเป็นสมาชิกหรือเป็นประชากรของแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ ครับเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องภาษากรีกที่แปลว่านิวมาะนะครับหลายหลาคนก็เริ่มรู้รู้จักและเข้าใจนะครับว่านิวมานั้นแปลว่าลมหรือแปลว่าพระวิญญาณหรือแปลว่าวิญญาณก็ได้นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาดูต่อไปครับประเด็นที่พระเยซูได้สอนนิโคเดมัสเกี่ยวกับเรื่องของการบังเกิดใหม่แต่น่าแปลกใจครับที่นิโคเดมัสนั้นเขาไม่เข้าใจพระองค์แปลกใจด้วยเหมือนกันครับพระองค์ตรัสว่าท่านเป็น อาจารย์ของชนชาติอิสราเอลและท่านยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้หรือถ้าเราบอกท่านหลายถึงสิ่งฝ่ายโลกและท่านไม่เชื่อถ้าเราบอกท่านถึงสิ่งฝ่ายสวรรค์ท่านจะเชื่อได้อย่างไรอันนี้ปรากฏอยู่ในข้อที่สิบและข้อที่สิบสองนะครับของพระธรรมยอห์นบทที่สามครับพี่น้องครับตรงนี้เราจะเห็นว่าหลักการสอนของพระเยซูนั้นพระองค์ก็ดึงสิ่งที่เขารู้ นะครับเพื่อที่จะให้เขาเรียนรู้จากสิ่งใหม่ที่เขายัางไม่รู้พระองค์บอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายถึงสิ่งฝ่ายโลกก็คือการเกิดทางร่างกายนะครับก็คือเกิดจากน้าและพูดถึงลมนะครับเปรียบเทียบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เขาไม่เข้าใจครับเมื่อเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่เชื่อและพระเยซูสอนต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของ การบังเกิดใหม่แน่นอนครับเขาคงไม่เข้าใจเช่นเดียวกันเมื่อเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่เชื่อพรานั่นครับเราจะเห็นว่าความเข้าใจพื้นฐานนะครับเป็นรากฐานของความเชื่อที่ถูกต้องเพราะงั้นความเชื่อที่ถูกต้องของเรานั้นซึ่งเป็นความเชื่อวางอยู่บนพระชนะของพระเจ้าวางอยู่บนหลักการและเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยสัมเดงให้กับเรา เราจะต้องมั่นใจว่าหลักความเชื่อของเรานั้นไม่ได้เป็นหลักความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาแต่เป็นหลักความเชื่อที่แต่ละคนแต่ละท่านนั้นจะต้องเข้าใจและจะต้องวางความเชื่อของตนนั้นอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าอย่างสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นความเชื่อของเรานั้นไม่ใช่เป็นความเชื่อที่งมงายครับเป็นความเชื่อที่ตั้งอยู่บนทฤษฎีรากฐานที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าและตั้งอยู่ บนประสบการณ์ส่วนตัวของเราที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นแหละครับเป็นประเด็นที่สําคัญมากที่ผมอยากจะสื่อในวันนี้พื่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าในข้อต่อต่อนั้นพระเยซูทรงบอกที่โคเดมัสถึงวันที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขนทรงบอกที่โคเดมัสถึงการที่พระเยซูเป็นพระบุตรนะครับของพระเจ้าและในขณะเดียวกันเป็นบุตรมนุษย์ที่ได้ลงมาจากสวรรค์ครับ สำคัญก็คือว่าลงมาจากสวรรค์ส่งมาจากพระบิดาเมื่อพระเยซูตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองในฐานะพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็จะโยงถึงความสัมพันธ์ที่พระองค์ทรงมีต่อพระเจ้าและเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาพี่น้องครับคนยิวนั้นไม่ค่อยเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดานะครับเพราะเขามีความรู้สึกว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่น่าเคารพยกย่อง เป็นผู้ที่ทรงฤทธานุภาพสูงสุดเขาจะต้องย่ำเกรงพระเจ้าความสัมพันธ์ของคนยิวกับพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกเหมือนกับพวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับเราเรียกพระเจ้าของคนยิวว่าพระบิดาของเราเช่นเดียวกับการที่พระเยซูได้ส่งเรียกพระเจ้าของพระองค์ว่าเป็นพระบิดาของเราในสวรรค์ เมื่อพระเจ้าได้เมื่อพระเยซูตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองในฐานะบุตรของมนุษย์ก็เป็นการตรัสเพื่อโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ทรงมีต่อโยเซ ฟ, ฟบิดาของพระองค์ในฝ่ายโลกนี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นมนุษย์ที่ส ม, มบูรณ์แบบเป็นบุตรของมนุษย์ในขณะเดียวกันครับก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าการที่พระเยซูต้องถูกตรึงแม่งเขน กับเหตุการณ์ในเพิ่มปีเดิมในกนารดันวิถีนะครับบทที่ยี่สบเอ็ดข้อที่สี่ถึงข้อที่เก้าครับพี่น้องตรงนี้เองเราได้เห็นนะครับว่าพระเยซูทรงยกตัวอย่างของโมเสสครับขณะที่โมเสสพาชนอิสราเอลเข้ามาอยู่ในถิ่นทุกขกันดารในวนเวียนอยู่ในถิ่นทุกกันดารถึงสี่สิบปีและมีครั้งหนึ่งครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้าได้ไดไดให้งูนะครับได้มากัดคนอิสราเอล เป็นการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าเพราะว่าอิสอเอลนั่นไม่เชื่อฟังและโมเสสนั้นก็ได้ให้ทางออกกับคนชัิอิสอเอลว่าใครก็ตามที่มองดูงูทองสำริดที่โมเสสนั้นได้สร้างขึ้นมาบนเสาเขาจะเอางูนะครับพันเสาแล้วก็ยกชูขึ้นสูงครับใครก็ตามที่ถูกงูกัดเขาจะได้รับการรักษาเขาจะหายเขาจะไม่ตายนะครับนี่คือการลงโทษของพระเจ้า พระเจ้านั้นก็ยังให้ทางออกของคนอิสอเอลให้ทางออกกับคนอิสอเอลเสมอครับในท่นองเดียวกันครับเยซูทรงบอกกับนิโคเดมัสว่าพระเยซูเองนั้นจะต้องถูกยกขึ้นเพื่อให้ทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้รับชีวิตนิรันดร์ในข้อที่สิบห้าครับเยซูตรัตนี้หมายถึงวันเวลาที่พระเยซูนั้นจะต้องถูกตะปูตอกตึงเข้ากับไม้กางเขนแล้วกางเขนนั้นถูกยกตั้งขึ้นสูงเด่น เพื่อให้คนทั้งหลายที่ไว้วางใจและมองที่พระเยซูด้วยความหวังใจด้วยความเชื่อความศรัทธานั้นเขาจะรอดครับเขาจะไม่ถึงความพินาพี่น้องครับพระเยซูอธิบายต่อไปถึงจุดมุ่งหมายแห่งการตึงแม่งเขนและพระคมีข้อนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนั่นก็คือยอห์นบทที่สามข้อสิบหกนะครับการที่พระเยซูนั้นจะต้องเฉดดขึ้นบนแมงเขนมันเป็นแผนการของพระเจ้าครับ เป็นเรื่องราวของพระเจ้าเป็นเรื่องราวลึกลับของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงรักโลกพระเจ้านั้นทรงรักมนุษย์ทุกคนทรงรักสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างรักเราทั้งหลายทุกคนจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นั่นคือองค์พระเยซูคริสต์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรองค์เดียวก็คือพระเยซูคริสต์นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ นะครับในวันพรุ่งนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับชีวิตทีรันนั้นหมายถึงอะไรแต่ผมอยากจะบอกครับไม่ว่าวันนี้แผนการแห่งความรอดซึ่งมาจากพระเจ้านั้นเป็นเหตุที่ทําให้พระเยซูจะต้องมาในโลกนี้เพราะเหตุความรักของพระเจ้านั้นพระเจ้าจึงต้องส่งพระเยซูามาสิ้นพระชนมาตายแทนเราและเปิดทางแห่งความรอดก็เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราครับและของขวัญ ชิ้นสำคัญที่สุดชิ้นเดียวที่พระเจ้าให้กับเราก็คือพระบุตรองคเดียวของพระองค์พระบุตรองคเดียวที่ทรงห่วงเห็นพระบุตรองคเดียวซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบิดาเจ้าพระเจ้าพระบิดานั้นได้ประทานให้กับเราทั้งหลายของขวัญชิ้นที่สำคัญที่สุดและมีคุณค่าล้ำค่าที่สุดนั้นที่พระเยซู Ye ให้กับเราต่อมาก็คือความรอดนั่นเอง แผนการของพระเจ้าก็คือพระเยซูจะต้องสิ้นพระชนแมงเข่งครับเพื่อทุกคนที่วางใจในการสิ้นพระชนนี้แต่ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดจะไม่พินาศเหมือนกับคนอิสราเอลที่มองดูงูทองสัำริดที่โมเสกตั้งขึ้นมาเขาก็จะไม่ตายเขาจะไม่พินาศครับเราก็เช่นเดียวกันครับเราก็จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเรียนถึงเกี่ยวกับคําว่า ชีวินิ่าหนั้นคืออะไรส่วนผู้ที่ไม่ยอมรับนั้นจะพินาศครับนั่นนะครับคำว่าพินาศนี้แปลว่าอะไรแต่เป็นพรุ่งนี้เราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งอาเมน